บทที่สิบห้ากิเลสนายสมชายเห็นสตรีผู้นั้นยืนตื้อท่านพระครูอยู่หน้าห้องน้ำจึงแอบไปบอกให้ในายขุนทองมาจัดการและแล้วกุฏิของสมภารวัดฝ่ามะม่วงก็กลายเป็นโรงงิ้วเมื่อเวลาสองยามนี่คุณเกรงใจหลวงพ่อท่านบ้างสิ อะไรจะแม่ท่านได้มีเวลาตดเวลาขี้เลยหรือไงเขาใช้คำไทยโบราณก็มันเรื่องอะไรของแกและไอ้กระเทยตัวเองนะ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเธออย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านฉันไม่อยากจะเสวนากับไอ้พวกผู้ชายที่อยากกลายเป็นผู้หญิงคำพูดของหญิงสาวไ ป, สไปจี้จุดอ่อนของนายขุนทองเข้าอย่างจังเขากโกรธจนมือไม้สัน่นเสียงก็ปล่อยสั่นไปด้วย เมื่อโต้หล่อนว่าอีอี อ, อีคนผัวทิ้งก็แกมันเป็นอย่างนี้นะสีผัวทึ้งได้ทิ้งไปเขาทราบข้อมูลนี้มาจากนายสมชายอันที่จริงสมชายไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยความลับของญาติโยมแต่นายขุนทองผู้ได้สมยาว่าลูกคนช่าง ซ, ซักซักไซา์ซึจนเขาต้องพูดความจริงที่ควรปกปิด ก็แล้วมันหนักกระบาลหัวมึงหรือไงหัวกูทิ้งกูไว้บนกระบาลมึงหรือไงถึงได้มาเดือดร้อนแทนฟายญิงเปลี่ยนสรรนามจากแกและชั้นมาเป็นมึงและกูทั้งที่กำลังปวดท้องท่านพระครูก็อุตส่ากกำหนดเห็นหนอเพื่อจะได้ดูงิ้วให้ชัดเจนทั้งภาพและเสียงท่านนึกปรงสังเวีนงิ้วสองตัวที่กาลังแสดงอยู่หน้าห้องน้า ฝ่ายยิงนั้นเคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งทว่าแต่ละครั้งหล่อนก็มาคุยใช่มากกว่าชวนคนที่มาปฏิบัติเพื่อแก้บนไม่ได้ตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลมานั่งคุยคุยกันอยู่ในวดัดแล้วก็พากันพกบาปกลับบ้านถ้าหล่อนตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานตามที่ท่านสอนหล่อนก็จะรู้จักอดกลัน้นอดทน ไม่ออกโรงเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ข้างฝ่ายในขุนทองก็โต้ว่าหี่อย่ามาพูดมึงพูดกูนะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนายขุนทองพยายามไม่พูดคำหยาบหากก็เพล่อปล่อยกูออกมาจนได้เป็นใครก็ช่างหัวมึงปรลายหล่อนไม่สนใจใยดีฉันเป็นหลานหลงลุงนะ นายขุนทองคิดว่าหล่อนคงจะละพยศลงเมื่อรู้ว่าเขาเป็นใครแต่หญิงสาวกลับพูดออกมาว่าจะเป็นหลานหรือเป็นเลนกูไม่สนใจทั้งนั้นอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของกูคืนยุ่งเดี๋ยวแม่ตบล้างน้ำซะนี่ใครจะตบใครกันแน่ปากดีนักขอตบสักฉาดเถอะคนเป็นหลานท่านพระครูเงื้อมือข้างซ้าย กันเป็นข้างที่เขาถนัดแล้วก็ปรีเข้ามาใส่ผู้หญิงคนนั้นทว่าเขาไม่กล้าตกด้วยรู้ว่าหลงลุงกาลังดูอยู่เอาสิอยากตบก็ตบเลยงิ้วผู้หญิงยื่นหน้ามาจนชิดฝ่ามือของงิ้วผู้ชายผู้ซึ่งรีบลดมือลงด้วยเกรงว่าจะอดใจไม่ไหวไม่ตบหรือมึงไม่ตบกูจะตอบมึงก็ได้ แล้วหล่อนก็ฟาดมือข้างขวาลงบนใบหน้าขุนทองเสียงดังฉาดในขุนทองกำลังจะโต้อตอบแต่ก็ชะงักกลางคันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านพระครูใช้มนสกดลฝ่ายงิ้วผู้หญิงยิ่งได้ใจเพราะเกิดมันมือจึงคิดจะตบอีกสักชาติหากก็ยืนแข็งทื่อในท่ายกมือข้างขวาค้างอยู่อย่างนั้น ญาติโยมที่รอคิวอยู่ก็พากันลุกขึ้นมาชะโงกหน้าดูตรงประตูตั้งแต่ได้ยินเสียงตบดังฉาดรั้นเห็นทั้งสองยืนนิ่งเป็นหุ่นคีดพึ่งจึงได้พากันกลับมานั่งที่เดิมต่างคนต่างคิดว่าสองคนนั้นโดนพระอาหารหันทราบเสียแล้วขืนเราไปยุ่มย่ามประเดี๋ยวก็จะถูกสาปอีกคนเป็นแน่ สมพานวัดป่ามะม่วงอยากจะออกมาจากห้องน้ําหากก็ปวดท้องเหลือกําลังจึงยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นตอนดูงิ้วท้องคงจะดูไปด้วยจึงไม่แสดงอาการปวดครั้งงิ้วจบก็เริ่มปวดใหม่ปวดอีกแล้วน่เองที่เมื่อตะกี้เขาเล่นงิ้วกันทําไมไม่ปวดท่านต่อว่าท้อง นายสมชายแอบสังเกตการอยู่ห่างๆครั้นเสียงเงียบลงจึงเข้าไปเคาะประตูห้องน้ำด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อของเขาจะเป็นลมเป็นแ้งไปหลวงพ่อสบายดียหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นลมไปแล้วท่านพระครูจงใจไม่ตอบเพราะต้องการจะดูว่าลูกศิษย์จะแก้ปัญหาอย่างไรนายสมชายจึงเปลี่ยนจากเคาะ มาเป็นทุบ ป, ปังปังพร้อมกับตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหลวงพ่อไม่ตอบผมจะพังประตูเข้าไปเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดออกมาจากห้องน้ำว่าไม่ต้องพังข้าไม่อยากเดือดร้อนหาช่างมาซ่อมและหลวงพ่อเป็นอะไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงถ้าเองไม่เอายามาให้ข้ากิน ข้าก็คงไม่เป็นอะไรเองทำไมทำกับข้าอย่างนี้ล่ะท่านตัดพอทั้งที่รู้ว่าตัวการคือในขุนทองผมทำอะไรหลวงพ่อเหรอครับชายหนุ่มถามงงงก็เองเอายาถ่ายมาให้ข้ากินตายจริง ผมถูกเจ้าขุนทองต้มจนสุกเลยหรือนี่อา้าวแล้วทำไมมันมายืนตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนี้ล่ะเขาเพิ่งสังเกตเห็นฝีมือหลวงพ่อใช่ไหมครับรวมทั้งโยมผู้หญิงคนนี้ด้วยเขาพูดเสียงเบาด้วยเกรงญาติโยมจะได้ยินท่านพระครูไม่ตอบหากรีบทันทุระให้เสร็จแล้วจึงเปิดประตูออกมาด้วยท่าทางอิดโรย เพราะเสียน้ำในร่างกายไปมากนายสมชายจะเข้าไปประคองท่านก็ห้ามไว้ไม่ต้องข้าไม่เป็นอะไรมากปล่อยสองคนนี้ไว้ก่อนขาาตั้งเวลาไว้แล้วอีกยี่สิบนาทีจะรู้สึกตัวท่านพูดเสียงเบาแล้วจึงค่อยๆเดินไปนั่งอย่างอาศัศนะนายสมชายเดินตามท่านไป ญาติโยมพาการหลีกทางให้ท่านเดินได้สะดวกนิโมลหลวงพ่อพักผ่อนก่อนเถอะครับนี่ก็เข้าวันใหม่แล้วโยมผู้ชายคนหนึ่งพูดอย่างเกรงใจทั้งเกรงใจท่านเจ้าของกุฏิและทั้งญาติโยมที่มารออยู่ไม่เป็นไรหรอกโยมอัตมายังพอไว้ถ้าไม่ไว้เราจะบอก ตอนนี้ยังมีเรี่ยวแรงที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถ้าอายุเจ8 0บปสไม่อาจฟื้นสังขารได้ญาติโยมก็ให้อภัยด้วยก็แล้วกันพูดด้วยเมตตาท่านรู้ว่าเมื่อวัยชลามาเยือนก็คงช่วยญาติโยมได้ไม่มากนะักตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องทำงานให้หนักเข้าไว้ นุมอะไรละหลวงพ่อห้าสิบกว่าแล้วนายสมชายขัดขึ้นเพราะง่วงนอนเต็มแก่ก็คนที่เขาอายุเจ็ดสิบกว่าเขายังว่าเขานุมแล้วค่ะแค่ห้าสิบกว่าทำไมจะไม่นุมละ่ะหรือญาติโยมว่ายังไงท่านหาเสียงกับญาติโยมหลวงพ่อยังไม่แก่ค่ะยังนุมฟ้อเลย อีฉั้นอายุห้าสิบทวนยังดูแก่กว่าหลวงพ่อยอมอายุห้าสิบเอ่ยขึ้นหล่อนอุตสาหอุตลาขับตะนอนมานั่งรอคิวเพื่อจะขอให้พระอาหารหันต์ตั้งชื่อหลานคนแรกให้แม่ยมนี่เยี่ยมจริงๆเรียกลุงพี่ทำให้อัตมารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะวันก่อนมีโยมอายุหกสิบมาเยี่ยมเขาเรียกอัตมาว่าหลวงปู โอโหอัตมางิใจฟอแฟไปหมดท่านยังมีอารมณ์ขันหลวงพ่อจะรับแขกอีกนานไหมครับถ้านานผมจะได้ขอไปงีบสักพักนายสมชายถามขึ้นอยากไปไหนกอเชิญเดี๋ยวข้าปิดกุฏิเองก็ได้แต่ว่าญาติโยมเถอะง่วงกันหรือยังยังครับยังค่ะ ญาติโยมชายหญิงตอบพร้อมกันบางคนตาปลือแล้วก็ยังอุตส่าห์ตอบเอาละถ้าเช่นนั้นใครมีอะไรก็ว่าไปคืนนี้อยู่จนแจ้งเลยนะโยมนะคิดสวัชดเชยตอนอาตมาอาพาธท่านพูดอย่างเมตตาแต่ตอนนี้หลวงพ่ อ, อยังอาพาธอยู่นะครับนายสมชายขัดขึ้นทันใดข้าหายแล้วตอบทันใดเช่นกัน ถ้าหายก็ไม่ต้องใส่เฝือกสิครับสิทธิ์ก้นกุฏิไม่ยอมแพ้เอาละใครมีอะไรก็ว่ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านพูดกับญาติโยมด้วยคร้านที่จะเถียงกับสิทธิ์ก้นกุฏิคือหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันถูกน้องชายซึ่งเป็นตำรวจปิดทางเจ้าคะ่ะสตรีวรัยสี่สิบเศษกลาเปียนอา้าว ทำไมไปปิดทางล่ะและโยมมาได้ยังไงคือดิฉันก็ไปขออาศัยเพื่อนบ้านออกค่ะคือเตี่ยกับแม่มีลูกสองคนคือดิฉันกับน้องชายคือก่อนตายเตี่ยกับแม่ก็ได้ยกที่ดินให้เราสองคนคือให้น้องอยู่ด้านหน้าของดิฉันอยู่ด้านหลังคือพอเตี่ยกับแม่ตายน้องชายก็ปิดทางคือ เขาเชื่อเมียเขาน้าจ้าค่ะหล่อนเล่าความเป็นมาและใช้คำว่าคืออย่างฟุ่มเฟอยอีกแล้วหรือคืออาตมาไม่ตอบเลยนะคือคนที่เชื่อเมียยิ่งกว่าพ่อแม่คืออาตมาเคยพูดบ่อยๆคนที่มีเมียแล้วให้เมียกลายเป็นแม่นั้นอาตมาไม่นิยมยกย่องท่านพูดล้อเลียนหล่อน ทำให้คนที่ฟังอยู่พากันอมยิ้มคือเขาเชื่อเมียเขาหนาเจ้าค่ะหลวงพ่อคือดิฉันก็เป็นพี่สาวเขาแท้ๆเขาไม่ฟังเลยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทํากับดิฉันได้นะคะคือเขากับเมียเขามาเข้ากันคนละหลายๆครั้งไม่น่าจะทาอะไรเหมือนคนมีกิเลสคือดิฉันยังคิดว่าเขาหมดกิเลสกันแล้ว คนที่พูดยังไม่รู้สึกว่าท่านล้อเลียนกิเลสมันไม่หมดง่ายๆหรอกโยมคืออย่าว่าแต่ค่ารหัสเลยถึงพระอยู่กับว่าท่านก็ยังมีกิเลสคือโยมอยากรู้ไม่เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงกิเลสว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบ ถากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใครๆพึงสามารถเก็บไว้ในที่บางแห่งได้จะโกวานก็แคบไปพรมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีคือไม่บรรลุเลยเพราะอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเสมอว่าสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งกิเลสตัญหาที่เรียกว่ากิเลสพันห้า ตันหาร้อยโยมรู้ไหมกิเลสพันหตันหาร้อยอยู่ที่ไหนคือดิฉันไม่ทราบเจ้าค่ะสตรีผู้ถูกน้องชายปิดทางตอบไม่ทราบอาตมา ก, ก็จะบอกให้กิเลสพันหตันหาร้อยมันอยู่ในใจของเรานี่แหละ ดีว่ามันเป็นนามาธรรมจึงไม่กินที่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้ากิเลสมันเป็นรูปธรรมมันก็จะกินที่ถ้าเป็นอย่างนั้นละก็ไม่มีพื้นที่ให้กิเลตั้งจากกระวานที่ว่ากว้างแสนกว้างก็จะดูแคบและพรหมโลกที่สูงก็จะกลายเป็นต่ำเพราะกิเลสมันสูงขึ้นล้นไปถึงพรหมโลก ยมลองคิดดูสิแค่คนเดียวก็ยังมีกิเลสตั้งมากมายแล้วโลกนี้มีคนเป็นพันล้านจะมีที่พอสำหรับตั้งกิเลสหรือเพราะอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงสอนให้ทำกิเลสให้เบาบางกระทั่งหมดกิเลสแต่บางคนก็ไม่เชื่อพระองค์โลกมันถึงวุ่นวายอยู่อย่างนี้ พี่น้องครานตามกันมาก่อฟ้องร้องแย่งสมบัติกันลูกโกงพ่อพ่อโกงลูกให้ยุ่งไปหมดในอนาคตจะแย่ยิ่งกว่านี้ลูกจะฆ่าพ่อแม่เพื่อเอาสมบัติคือคือเหมือนน้องชายดิฉันที่ปิดทางเข้าบ้านดิฉันคือเขาต้องการที่จะบีบดิฉันให้ขายให้เขาในราคาถูกคือเขาถูกน้องสะพ้ายยุแย่นะเจ้าค่ะ ข้อนั้นอาตมารทราบเพราะที่ตรงนี้มีราคาเขากะจะซื้อของโยมและก็ขายให้คนอื่นขายพร้อมของที่เขาแล้วเขาก็จะอพยพไปอยู่ที่กรุงเทพเป็นแผนของเมียเขาแต่ก็ไม่เป็นไรอาตมาจะช่วยโยมไม่ต้องขายที่ของพ่อแม่สร้างสมไว้ให้จะไปขายทาไมถ้าขายนะ รับรองหมดเนื้อหมดตัวพลุกนี้เช้าเขาจะมาหาอาตมาแล้วอาตมาจะจัดการให้รับรองว่าเขาจะต้องรีบกลับไปเปิดทางให้โยมเชื่ออาตมาเถอะเชื่อประเทศไทยสักครั้งไม่เชื่อพระอาหารหันและจะไปเชื่อใครแล้วเจ้าคะอย่าพูดอย่างนั้นอาตมาขอร้องขอร้องนายาติโยมนะ ท่านพูดกับทุกคนในที่นั้นขอร้องว่าอย่าเรียกอาตมาเป็นพระอระหรันอย่าเรียกลวงพี่ลุงพ่อลุงปู่อะไรก็ได้แต่อย่าไปเรียกหรือไปพูดว่าอาตมาเป็นพระอระหรันประเดี๋ยวจะเข่าใจผิดกันยกใายอาตมามักพูดเสมอว่าอาตมาเป็นพระอระหก็ขอให้ญาติโยมคิดว่าอาตมาเป็นพระอระหก็แล้วกัน ต่อไปนี้จะไม่มีการเรียกหรือพูดว่าอาตมาเป็นพระอรหรันตกลงตามนี้นะไม่มีใครรับปากกับท่านแม้แต่คนเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขาเชื่อ ว, ว่าท่านเป็นพระอรหรันตหลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่ออ้างพุทธพจน์เกี่ยวกับกิเลสนั้นผมอยากทราบว่าในคำภีมีหรือเปล่าครับ คนถามเป็นอดีตมหาปรียนประโยค9เก้าขายังไม่ค่อยแน่ใจนักว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นจริงจะต้องตอบคำถามของเขาได้การเป็นพระอรหันต์ไม่ได้วัดกันที่ตอบคำถามได้หรือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้วัดกันที่ใครจะเป็นมหาปรียนหรือไม่เป็นอาตมาเสียใจด้วยสมัยนี้มหาปรียนทั้งหลาย เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องปฏิบัติการบางคนสอบได้ป ร, ริญญเก้าประโยคแต่ไม่เคยปฏิบัติทำเลยไม่รู้ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอะเขาทำกันอย่างไรท่านรู้ว่าถูกลองภูมิจึงพูดเพื่อแก้ความเข้าใจผิดให้อดีตมหาป ร, ริญนเข้าใจถูก หากฝ่ายนั้นกลับคิดเลยไปว่าตนถูกด่าทางอ้อมเพราะสิ่งที่ท่านพูดมานั้นแท้จริงเขาเป็นเช่นนั้นเาว่าคนที่บวชนานแทนที่จะนึกขอบคุณที่ท่านให้แสงสว่างกลับคิดไปว่าท่านฉีกหน้าฉีกหน้าเข้าต่อหน้าธาร ก, กํานันอัตตาที่มีอยู่ค่อนข้างมากจึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีก เขาคิดไปว่าที่ท่านตอบเช่นนี้เพราะท่านตอบคําถามของเขาไม่ได้นั่นเองจึงลุกต่ออีกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคําถามผมเลยครับว่าพุทธพจน์ที่หลวงพ่อยกมานั้นมีในคำเภีรยวหรือไม่อาตมาไม่เคยสอนอะไรที่นอกคำเภีรยอาตมาเป็นศักยบุตรพุทธโอรสจะไม่ออกนอกกรีดนอกรอย เสด็จพ่อทรงสอนอย่างไรอาตมาก็สอนอย่างนั้นไม่บิดเบือนไม่ปฏิรูปโยมจำคำพูดของอาตมาไว้นะว่าในอนาคตการข้างหน้าจะมีทาปฏิรูปเกิดขึ้นพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองที่มาอ้างตัวว่าเป็นพระเอ า, าศาสนาบังหน้าแล้วก็สร้างความร่ำรวยให้กับตนเองด้วยการสอนผิ ด, ผด แต่งคำพีขึ้นใหม่ให้ผิดแผลไปจากพุทธธรรมคำสอนแล้วก็อ้างว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เรียกว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่ประการใดแล้วคนพวกนี้ก็จะสอบเป็นมหาปาริญญาสูงๆเพราะว่าใช้วิธีการที่ไม่สุดจริตทำให้วงการพระาศาสนาต้องพลอยมัวหมองไปด้วยแต่อย่าลืมนะ พวกเขาไม่สามารถพ้นจากบาปที่ทากรรมที่ก่อไปได้ที่อาตมาพูดมาเนี้ยก็เพื่อจะเตือนโยมโดยตรงโยมมีความรู้เป็นถึงมหาป ร, รียญปโกโ้าวอย่าได้ไปให้ความร่วมมือกับพวกคนกลุ่มนี้อย่าได้เห็นแก่เงินมากกว่าเห็นแก่พระศาสนาถ้อยคำของท่านพระครูทำให้อดีตมหาป ร, รีญญาไย4สี่สิบเศษถึงกับน้าตาร่วง เขาเชื่อสนิทว่าภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเขานี้เป็นพระอรหันต์มิฉะนั้นแล้วคงจะไม่รู้จิตรู้ใจรู้ไปถึงพฤติกรรมอันชั่วช้าสารเลวของเขาที่ยอมทรยศต่อเสด็จพ่อเพียงเพราะเห็นแก่เงินหนึ่งแสนบาทเงินจำนวนนี้แม้จะมากสำหรับเขาแต่หากเทียบกับคุณค่ามหาศาลของพระาศาสนาแล้ว เทียบกันไม่ได้เลยเขาก้มลงกราบท่านด้วยความสำนึกผิดผมกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาชี้แจงทางสว่างให้กับผมมิฉชนั้นแล้วผมคงต้องตกนรกหมกไหม้ไปชั่วกับชั่วกันเพราะความโลภที่แนบเนื่องอยู่ในจิตใจของผม ไม่เป็นไรห ร, รอกโยมอัตมาดีใจที่สามารถช่วยโยมได้ว่าที่จริงแล้วก็เป็นบุญของโยมเองที่ได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นอัตมาขอให้ช่วยกัน ร, รักษาพระาศาสนานะโยมนะโยมมีความรู้มากกว่าเรียนมามากกว่าอัตมาต้องช่วยพระาศาสนาได้มากกว่าอัตมาเอาละคําถามที่โยมถามมานั้นน่ะ อาตมาจะตอบให้ถึงอาตมาจะไม่ได้เป็นพระมหาปารียนแต่ก็จะตอบถูกหรือผิดโยมช่วยบอกด้วยก็แล้วกันอาตมาเรียนมาน้อยแต่ว่าปฏิบัติมากคำตอบนี่ก็ได้จากการปฏิบัติพระพุทธวจนะที่อาตมาเชิญมานั้นนะ่ะอยู่ในคัมภีร์ชื่อพระธรรมปัทัศถักถาแปลภาคสอง ไหนโยมลองบอกมาสิว่าถ้าจะอัญเชิญมาเป็นภาษาบาลีจะว่าอย่างไรท่านรองภูมิอดีตมหาป ร, ริยญาบ้างผมจําไม่ได้แล้วครับหลวงพ่อศึกมาตั้งห้าปีแล้วเษาสารภาพอ้าวจำไม่ได้เสแล้วหรือถ้าเช่นนั้นอาตมาจะลองว่าดูนะอาตมาเรียนมาน้อยแต่จะพยายามนึกภาษาบาลีว่าอย่างนี้ เอวะเมวะพิกเวกิเลเสนามะภาริยาเอจะเอเตรูปิโนหุตวากาจัจฐิปักขิปิตุงสักกาเพวยุงจักกะวาระอติสัมภานังพรัมมะโลโกโอตินีจกโกโอกาโสเนสังณนะภวยะถูกต้องครับแหมหลวงพ่อเก่งจังครับ ผมนับถือจริงๆอดีตมหาป ร, ริญญออกปากชมอ้าวก็ไหนว่าโยมบอกว่าจาไม่ได้แล้วทำไมรู้ว่าอาตมาว่าถูกละ่ะท่านพระครูทวงผมอาศัยฟังจากศัพ์นะครับหลวงพ่อว่าได้ถูกต้องทั้งคำสัพ์และก็วยากณ์บาลีถึงผมจำไม่ได้แต่ผมก็รู้ศั์และวยากณ์ได้ครับ ผมขอพูดอีกครั้งว่าหลวงพ่อเก่งมากผมนับถือจริงๆหลวงพ่อบอกว่าได้มาจากการปฏิบัติทำให้ผมชักอยากจะปฏิบัติซะแล้วสิครับผมจะขอปฏิบัติที่วัดนี้จะได้ไหมครับถามด้วยศรัทธาที่เปี่ยมลน้นอาตมาไม่รังเกียจแต่อยากจะบอกว่าโยมเป็นผู้ที่มีความรู้ทางปริยัตดี ก็เลยอยากให้ได้ปฏิบัติกับครูอาจารย์ที่เก่งทางปริยัตและปฏิบัติโยมเคยได้ยินท่านจาคุณโชดกคณะห้าวัดมหาธาตุหรือเปล่าท่านเป็นอาจารย์ของอาตมาได้ยินครับท่านเป็นตู้พระคมพีเดินได้ท่านจำพระไตรปิฎกได้เกือบหมดภาษาบาลีท่านก็คร่องมากหลวงพ่อจะให้ผมไปปฏิบัติกับท่านเจ้าคุณโชดกหรอครับ โยมว่าดีไหมล่ะคนเก่งก็ต้องให้อาจารย์เก่งๆสอนถ้าโยมจะเข้าปฏิบัติที่นี่ตอนนี้พระที่สอนชื่อบวยเฮียวท่านก็มีความรู้แค่ปฐมสีภาษาบาลีท่านไม่เคยเรียนเลยแต่ท่านก็สอนดีผมขอเป็นลูกศิษย์พระบวยเฮียวก็แล้วกันครับเวลาเรียนจะได้เก็บความรู้ด้านปริยัศิสายลิชักไว้ก่อนจะสนใจแต่เรื่องปฏิบัติเท่านั้น หลวงพ่ออนุญาตให้ผมเข้าปฏิบัติที่วัดนี้นะครับตกลงอาตมาอนุญาตแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยเสียงทะเลาะ ก, กันดังออกมาจากทางห้องน้ำของท่านพระครูนายขุนทองพร้อมกับสาวสามีหายได้สติสัมปชัญญะพร้อมๆกันพอทบทวนเหตุการณ์ได้ก็เริ่มลงมือทะเลาะ ก, กันอีกสมชายอยู่ที่ไหน ไปจัดการสองคนนั่นสิสมภารวัดป่ามัม่วงสั่งสิทธิ์ก้นกุฏิหลวงพ่อว่าอะไรหระอครับนายสมชายซึ่งนั่งหลับส ป, ปงกอยู่ใกล้ๆถามท่านด้วยท่าทางงัวงเงียสองคนนั้นพอได้สติก็ทะเลาะ ก, กันอึงไปเลยไปจัดการหน่อยท่านสั่งอีกครับผมสิทธิ์ก้นกุฏิรับคาแล้วก็ลุกออกไป